ทงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงดำเนินได้ทรงปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดพระองค์สงให้ชื่อว่ามรคมรคที่มีองค์แปดเรียกสั้นๆว่ามรคแปดเป็นทางที่พระพุทธเจ้า ได้สั่งปฏิบัติเพื่อที่จะทำให้พระไทยของพระองค์ได้หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายแล้วพระองค์ก็ส่งนำเอามาักแปดที่พระองค์ได้ส่งนำเนินนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่ต้องการ จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดให้นําเอาไปปฏิบัติถ้าปฏิบัติได้ครบถ้วนก็จะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดอย่างที่พระพุทธองค์ได้ทรงหลุดพ้นมรรคที่ไม่องค์แปดนี้ก็มีหนึ่งสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ หรือความเห็นที่ถูกต้องข้อที่สองก็คือสัมมากรรมโตสัมมาสังคโปสัมมาสังคโปแปลว่าความคิดหรือความดําริที่ถูกต้องอสสัมมากรรมโตการกระทําที่ถูกต้อง 4สัมมาวาจาการพูดที่ถูกต้องห้าสัมมาอาชีวอาชีพที่ถูกต้องหกสัมมาวายามูความเพียรที่ถูกต้องเจ็ดสัมมาสติการนรึกรู้ที่ถูกต้องและ8ด สัมมาสมาธิความตั้งมั่นของจิตที่ถูกต้องนี่คือองค์ประกอบของมัจแปดที่ผู้ปฏิบัติจะต้องเจริญจะต้องทำให้เกิดขึ้นมาภายในใจเพราะเมื่อมีมัจที่เป็น องแปดนี้แล้วจะมีพลังที่จะต่อต้านอำนาจของกิเลสตัณหาที่จะคอยฉุดลากให้จิตติดอยู่กับการเกิดในวัฏสงสารติดอยู่ในไตรภพบในกามภพบในรูปภพบและอรูปภพบ ถ้าไม่มีมรรคแปดจิตใจจะไม่มีกําลังเหมือนกับรถยนต์ถ้าไม่มีน้ํามันถ้าไม่มีน้ํามันรถยนต์ก็วิ่งไม่ได้ไม่สามารถที่จะเดินทางไปไหนมาไหนได้จิตใจที่ไม่มีมรรคแปดก็เหมือนใจที่ไม่มีน้ํามันไม่มีพลังที่จะต้าน กระแสของกิเลสตัณหาได้ก็จะถูกกระแสของกิเลสตัณหาชุดลากให้ไปเกิดในใจพบให้ไปเกิดในกามยพบในรูปพบและอรูปพบเกิดแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดแต่ถ้าใครสามารถสร้างมรรคที่มีองค์8ขึ้นมาในใจได้ ใจจะมีพลังมีกําลังขับเคลื่อนต้านกระแสทวนกระแสของกิเลสตัณหาได้ทวนกระแสของวัตตะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ mm. ก็จะสามารถเข้าสู่กระแสของพระนิพพานเข้าสู่การไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดพระนิพพานนี้เป็นชี่ อยู่ข้างนอกของวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดก็เป็นเหมือนกับคุกตารางแต่พระนิพพานนี้เหมือนสถานที่นอกคุกนอกตารางผู้ที่สามารถปีนข้ามกำแพงของคุกตารางได้ ก็สามารถออกจากคุกตารางไปได้ไปเยู่ที่ที่เป็นอิสระจะไปไหนมาไหนจะทําอะไรก็ได้จันใดพระนิพพานก็เป็นที่ที่อิสระจากความทุกข์ต่างๆเป็นที่ที่ไม่มีความทุกข์จะเข้าไปเหยียบย่ำทําลายจิตใจได้เลยดัยงนั้นผู้ที่ต้องการที่จะ หลุดออกจากคุกตารางแห่งการเวียนว่าตายเกิดจำเป็นจะต้องสร้างมรรคแปดขึ้นมาภายในใจเพื่อจะได้มีกำลังที่จะปีนป่ายข้ามกำแพงของคุกตารางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดไปได้ข้อที่หนึ่งสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องหรือความเห็นชอบนี้คืออะไร ความเห็นชอบนี้ก็มีอยู่สองระดับด้วยกันระดับของนักบุญและระดับของนักบวชระดับของนักบุญก็จะเห็นว่าบุญมีจริงบาปมีจริงทำบุญแล้วตายไปก็จะได้ไปสวรรค์ทำบาปแล้วตายไปก็จะได้ไปอบาย ไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายใบตกนรกนี่คือความเห็นของระดับนักบุญเห็นว่ายังตายแล้วไม่สูนตายแล้วยังต้องไปเกิดต่อไปใช้บุญใช้บาปต่อแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ กลับมาสร้างบุญสร้างบาปใหม่ถ้าไม่อยากจะไปอบายไม่อยากไปนรกก็อย่าไปทำบาปถ้าอยากจะไปสวรรค์ก็ให้ทำบุญทำความดีนี่คือ ความเห็นระดับของนักบุญส่วนความเห็นระดับนักบวชก็คือเห็นว่าการเกิดแก่เจ็บตายนี้เป็นทุกข์และการเกิดแก่เจ็บตายนี้มีเหตุที่ทำให้เกิดขึ้นมาก็คือตัณหาทั้งสามคือกามาตัณหาภาวตัณหาวิภาวตัณหาและ การที่จะทำให้การเกิดแก่เจ็บตายความทุกนี้ดับไปก็ต้องละกิเลสทั้งสามคือการะตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาและการที่จะละกิเลสตัณหานี้ได้ก็ต้องมีมรรคต้องมีศีลมีสมาธิมีปัญญาปัญญาก็คือ การเห็นที่ถูกต้องนั่นเองคือเห็นว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ที่ทำให้เรากลับมาเกิดมาหาอยู่เรื่อยๆเช่นรูปเสียงกลิ่นรสปุพะะลาบยศสลรเสญนี้เป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงมันมีเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็มีดับมันไม่ใช่ของเรา เราไม่สามารถไปควบคุมบังคับให้มันอยู่กับเราเป็นของเราไปได้ตลอดมันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปเวลามันมามันก็ให้ความสุขกับเราเวลามันไปมันก็ให้ความทุกข์กับเราถ้าไม่อยากจะทุกข์ไม่อยากจะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องตัดความอยากทั้งสามตัดการลตันหาภาวะตันหา วิราวะตัณหาให้หมดไปจากใจเมื่อมีความเห็นที่ถูกต้องแล้วก็จะนําไปสู่มรรคองค์ที่สองคือความคิดหรือความดําริที่ถูกต้องสำหรับนักบุญก็จะคิดว่าต้องทำบุญต้องรักษาศีลไม่ทำบาปทำบุญทำทานอยู่เรื่อย แล้วก็ถ้ามีเวลาว่างก็นั่งสมาธิทำใจให้สงบมีเวลาว่างก็ฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาแต่จะไม่มีกำลังพอที่จะตัดการเวียนว่ายตายเกิดได้สำหรับนักบุญนี้ทำได้อย่างมากก็คือป้องกันไม่ให้ไปเกิดในอบายถ้ารักษาศีลห้าได้ตลอดแล้วได้ทำบุญอย่างสม่ำเสมอ ได้ไหว้พระสวดมนต์บ้างนั่งสมาธิบ้างฟังเทศฟังธรรมบ้างก็จะรักษาใจไม่ให้ตกต่ําไปสู่อบายตายไปก็ได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นเทพรหรือชั้นพรหมถ้ามีถ้ามีกํำลังนั่งสมาธิได้ถ้าไม่ได้ก็ได้ชั้นเทพแล้วเมื่อบุญที่ส่งไปอยู่สวรรค์ชั้นเทพหมดกําลัง ก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่ดีมีศีลมีธรรมก็จะกลับมาทำบุญต่อรักษาศีลต่อตายไปก็กลับไปเป็นเทพต่อก็จะวนเวียนอยู่ในภพที่ดีสำหรับผู้ที่มีสัมาทิฐติที่มีความเชื่อว่าบุญมีจริงบาปมีจริงสวรรค์มีจริงนรกมีจริง การเวียนว่ายตายเกิดมีจริงเราจะนำไปสู่ความคิดที่จะทำบุญไม่ทำบาปส่วนสำหรับผู้เป็นนักบวชก็จะมีความเห็นว่าการเกิดแก่เจ็บตายนี้เป็นทุกข์ต่อให้เกิดดีขนาดไหนก็ยังเป็นทุกข์อยู่เพราะยังต้องเสื่อมในเกิดบนสวรรค์ชั้นพน์ก็ต้องเสื่อม กิสวรรค์ชั้นเทพก็ต้องเสื่อมเกิดเป็นมนุษย์เป็นมหาเศรษฐีเป็นพระราชามหากษัตริย์ก็ต้องแก่เจ็บตายก็ยังต้องทุกข์อยู่ฉะนั้นสำหรับนักบวชนี้จะไม่ต้องการที่มาเกิดเลยฉะนั้นสำหรับนักบวชก็จะมีความดํำริว่าต้องออกบวชต้องรักษาศีลต้องปฏิบัติธรรมเพื่อละตัณหาทั้งสาม คือละกามตัญหาภาวะตัญหาและวิภวะตัญหานี่คือความที่ที่ถูกต้องสองระดับระดับนักบุญกับระดับนักบวชการกระทำที่ถูกต้องคือข้อที่สามสามมากรรมันโตก็มีสองระดับระดับนักบุญก็คือละเว้นจากการฆ่าสัตว์นักทรัพย์ระพติผิดโระเวณีสาหรับนักบวชก็ มีเพิ่มขึ้นมานอกจากคือเปลี่ยนจากข้อสามการไม่ประพฤติผิด ต, ตเวณีมาเป็นการไม่การไม่มีการประพฤติพรมจรรย์คือการไม่ร่วมหลับนอนไม่เสพกามเรียกว่าอบรามจาริยาคือสรุปก็คือส ม, มากรรมโตกับสัมมาวาจา ของนักบุญก็คือการรักษาศีลห้าสามมากรรมันโตสามมาวาจาคือการกระทาที่ถูกต้องกับการพูดที่ถูกต้องของนักบวชก็จะคือการถือศีลแปดถ้าศีลห้าก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่เสพสุรายาเมา สำหรับนักบวชก็จะเป็นศีลแปดขึ้นไปคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่เสกกามไม่ร่วมหลับนอนกับใครไม่พูดปดไม่พูดเพรอเจ้อไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่ดื่มสุรายาเมาไม่รับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วไม่เที่ยวไม่ดู ของลเล่นหรือพวกมหรสศพบันเทิงต่างๆไม่แต่งเนื้อแต่งตัวแต่งกายด้วยเสื้อผ้าผ่อนสวยสดงดงามวิจิตรพิสดารไม่เสริมความงามของร่างกายด้วยเครื่องสำอางด้วยการทำผ้าททำผมด้วยการใช้น้ำมันน้ำหอมอะไรต่างๆและไม่หลับนอนบนเตียงที่สบายเพราะไม่ต้องการนอนมากเกินไป ต้องการนอนพอให้พักผ่อนให้ร่างกายได้พักผ่อนก็พอหรือให้นอนบนพื้นแข็งๆจะได้นอนไม่มากพอร่างกายได้พักแล้วก็จะไม่อยากจะนอนอยากจะลุกขึ้นมาปฏิบัติธรรมต่อไปนี่คือสัมมากรรมันโตกับสัมมาวาจาของนักบุญและของนักบวช นักบุญก็ศีลห้า น, นักบวชก็ศีลแปดหรือศีลสิบหรือศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดอันนี้เป็นสมมาคมมันโตสัมมาวาจาการกระทาชอบวาจาชอบของนักบวชที่มีอยู่หลายระดับระดับคารวาดคืออุบาสกอุบาสิการะดับสัมมาเนมระดับภิกษุ พระภิกษุก็สองร้อยยสิบเจ็ดสามเก็ 10, สิบสีสิบถ้ามีพิกษุนีก็สามร้อยกว่าข้อนี่คือสัมมากรรมันโตกับสัมมาวาจาของนักบวญส่วนสัมมาอาชีวะอาชีพที่ถูกต้องของนักบุญก็คือทำอาชีพที่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน เช่นทำอาชีพเป็นหมอเป็นพยาบาลค้าขายของที่มีคุณประโยชน์เช่นยารักษาโรคเครื่องนุ่งหม่มอาหารที่อยู่อาศัยอาชีพตอนนี้ถือว่าเป็นอาชีพที่ถูกต้องไม่สร้างความเดือดร้อนสร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่นอาชีพที่ไม่ควรจะทำก็คืออาชีพที่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน อาชีพที่ต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอาชีพที่ขายสุรายาลมา อ, อาชีพที่ขายอาวุธต่างๆหรือยาพิษต่างๆนี่คืออาชีพที่ควรละเว้นเพราะจะไปทำให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนได้คนที่มาซื้อสินค้าเหล่านี้ก็จะเอาไปทำร้ายผู้อื่นนั่นเองเอาไปทาร้ายสัตว์ อาวุธเช่นไปตกปลาก็ต้องมีเบ็ดหรือพวกที่เป็นชาวนาชาวไร่ต้องการกำจัดมแมลงสัตว์ต่างๆที่มากัดกินพืชก็ต้องใช้ยาฉีดนี่เป็นอาชีพที่ไม่ควรที่จะกระทำของนักบุญส่วนอาชีพของนักบวชคืออะไรสามาชีพของนักบวชคือการปฏิบัติธรรมนี้เอง การเจริญศีลสมาธิปัญญานี่เป็นอาชีพของนักบวชของนักบวช น, นักบวชไม่ควรมีอาชีพค้าขายเช่นพุทธพาณิชย์ผลิต เ, เครื่องรางของขังอะไรต่างๆออกมาขายให้กับศรัทธาญาติโยมเพื่อที่จะเอาเงินทองไปสร้างวัดบูรณะวัดวาอารามหรือสร้างกุฏิสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์ อันนี้ไม่ใช่งานของนักบวชควรจะเป็นงานของนักบุญให้ญาติโยมที่ชอบทาบุญเขาถวายเงินถวายทองสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างกุฏิสร้างวิหารถ้าเขาไม่มีศรัทธาก็าไม่ต้องสร้างหน้าที่ของนักบวชไม่ใช่้นมีหน้าที่มาสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างกุฏิสร้างอะไรต่างๆ พระเจ้าสอนให้นักบวชอยู่ตามมีตามเกิดสมัยพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระพุทธเจ้าไม่เคยสร้างโบสถ์ไม่เคยสร้างเจดีย์ไม่เคยสร้างวัดแม้แต่วัดเดียวมีแต่นักบุญที่มีศรัทธาในตัวพระพุทธเจ้าเป็นผู้อาสาสร้างถวายให้อาชีพของนักบวชสัมมาอาชีพของนักบวชก็คือการเดินจงกรมนั่งสมาธิการปลีกวิเวก การรักษาศีลการเจริญสติการเจริญสมาธิและการเจริญปัญญานี่คืออาชีพสัมมาอาชีโลของนักบวชส่วนสัมมาวายาโม О, คือความเพียรชอบของนักบุญก็เพียรสร้างบุญที่ยังไม่ได้สร้างเพียรรักษาบุญที่ได้สร้างไว้แล้วไม่ให้ถดถอยเช่นเคยใส่ บาททุกวันพระก็ให้ทําต่อไปอย่าให้หายไปถ้าอยากจะทํำมากขึ้นก็ใส่บาททุกวันตอนต้นอาจจะใส่บาทวันในวันพระอาทิตย์ละครั้งเรียกว่าเป็นการรักษาบุญที่เคยได้ทําไว้ไม่ให้ถดถอยไปแล้วให้สร้างบุญใหม่ที่ยังไม่ได้ทําก็คือให้เพิ่มการใส่บาทจากวันพระมาเป็นทุกวัน แล้วจากวันพระมาเป็นสามวันก่อนก็ได้วันก่อนวันพระวันพระวันหลังวันพระแล้วต่อไปก็ขยายเป็นห้าวันเจ็ดวันอันนี้เรียกว่าความเพียรในการสร้างบุญที่ยังไม่เกิดขึ้นให้เกิดขึ้นแล้วก็เพียรรักษาบุญที่ได้สร้างไว้แล้วไม่ให้ถดถอยไปก็คือ ถ้าเคยใส่บาตกี่วันก็ใส่ไปเรื่อยๆอย่าลดลงอย่าลดป ร, มริมาณลงให้รักษาปริมาณไว้ถ้ายังไม่สามารถเพิ่มก็อย่าลดให้รักษาไว้เรียกว่าความเพียรชอบเพียรสร้างบุญที่ยังไม่ได้สร้างเพียรรักษาบุญที่ได้สร้างไว้แล้วไม่ให้หดหายไปแล้วก็เพียรละบาปที่ยังไม่ได้ละเช่น ถ้ารักษาศีลได้เพียงสองข้อก็เพิ่มเป็นสามข้ออ่าเพียนละเพียนละบาปที่ยังไม่ได้ละอะถ้าเรายัางไม่ได้ละข้อที่สามข้อที่สี่ก็เพิ่มขึ้นไปข้อที่ห้าเรียกว่าเพียนละบาปให้มากขึ้นแล้วเพียนรักษาบาปที่ได้ละแล้วไม่ให้กล่าวหวนกับคืนมาอีกอเช่นเคย ละสินละข้อที่หนึ่งได้แล้วก็อยากกลับไปทำใหม่ละข้อที่สองได้แล้วก็อยากกลับไปทำใหม่ละข้อที่สามได้แล้วก็อยากกลับไปทำใหม่เป็นต้นนี่คือความเพียรของนักบุญเพียรสร้างบุญเพียรรักษาบุญเพียรละบาปเพียรป้องกันบาปไม่ให้กลับไปทำบาปที่ได้ละแล้ว สำหรับนักบวชก็เพียนในการปฏิบัตินั่นเองอาชีพของนักบวชก็คือการปฏิบัติปฏิบัติตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนหลับรักษาศีลตลอดเวลาให้ศีลบริสุทธิ์ไม่ให้ด่างพร้อยแล้วก็ให้เจริญสติตั้งแต่ตื่นขึ้นมาพอลืมตาขึ้นมาก็ควบคุมใจด้วยสติน ไม่ปล่อยให้ใจคิดไปตามเรื่องราวต่างๆที่ไม่จำเป็นจะต้องคิดดึงใจไว้ให้อยู่ในปัจจุบันให้สักแต่ว่ารู้ไม่ให้คิดปรุงแต่งถึงเรื่องที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตหรือเครื่องเรื่องที่ยังไม่เกิดในในอนาคตเรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้เรื่องที่นูนเรื่องที่นี่ให้อยู่กับปัจจุบันให้สักแต่ว่ารู้ ถ้ามันจะคิดก็ใช้พุทโธหยุดมันก็ได้ใช้คำบิกรรมพุทโธพุทโธหยุดความคิดถ้ามันไม่คิดก็ให้มันอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายร่างกายกำลังทำอะไรก็ให้สักแต่ว่ารู้ให้รู้ว่ากำลังอยู่กับการกระทำนั้นเพียงอย่างเดียวไม่คิดเรื่องอื่นกำลังเดินกำลังยืนกำลังนั่งกำลังอาบน้ากาลังแต่งเนื้อแต่งตัวกาลังรับประทานอาหาร กำลังทํางานก็ให้มีสติอยู่กับการกระทําของร่างกายไม่ให้คิดไปถึงเรื่องราวต่างๆอันนี้ก็เรียกว่าเป็นงานของพระงานของนักบวชความเพียรของนักบวชเพียรเจริญสติเพียรเยจริญสมาธิพอ ม, ม, มีสติแล้วก็ให้นั่งสมาธิทำนั่งทําใจให้สงบ ให้ใจเข้าสู่อัปปนาสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิความพิความระลึกชอบการเพียนก็เพียนเพื่อให้เกิดสัมมาสติขึ้นมาสัมมาสติก็คือเราลึกชอบละลึกอยู่ในปัจจุบันไม่ให้จิตระลึกไปถึงอดีตไปถึงอนาคตให้เระลึกอยู่ในปัจจุบันไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆให้รู้อยู่กับเรื่องที่กําลังเกิดขึ้นอยู่ใน ปัจจุบันเช่นในขณะนี้ก็ให้รู้อยู่กับการฟังเทศฟังธรรมไปเพียงอย่างเดียวไม่ให้ไปคิดถึงอดีตที่เพิ่งผ่านมาเช่นมาจากที่ไหนเรืองอนาคตว่าจะไปไหนจะไปที่ไหนต่อจะไปทําอะไรตอนนี้ให้ลืมมันไปให้หมดลือมอดีตลือมอนาคตให้มันอยู่ปัจจุบันปัจจุบันกําลังทําอะไรกําลังฟังเทศฟังธรรมก็ให้มี สติจดจอ่อกับการฟังเทศฟังธรรมอย่างนี้เรียกว่าสัมมาสติ <Yeah. S 1> การลัางเลิกที่ถูกต้องให้นั่งเลิอกอยู่กับปัจจุบันให้นั่นเลิอกอยู่กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นให้รู้เฉยๆไม่ต้องมีความคิดปรุงแต่งนี <Yeah. S 1> ่ก็สัมมาสติถ้ามีสัมมาสติแล้วถ้านั่งหลับตาควบคุมใจไม่ให้คิดได้ให้รู้เฉยๆได้ จะรู้อยู่กับพุโทโธก็ได้รู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกก็ได้รู้กับรู้อยู่กับเสียงธรรมที่กำลังฟังอยู่นี้ก็ได้ก็จะสามารถกล่อมใจให้เข้าสู่ความสงบได้จะเข้าอยู่ลึกขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับกำลังของสติของผู้ฟังการฟังธรรมนี้ก็สามารถทำให้เกิดสมาสมาธิสัมมาสติขึ้นมาได้응 ฟังด้วยใจที่จดจอ่อตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันอยู่กับการฟังฟังแล้วก็ไม่ได้พิจารณาเพียงแต่เอาเสียงเป็นที่เกาะผูกใจจิตก็จะไม่คิดปุงแต่จิตก็จะเข้าสู่ความสงบเข้าสู่อัปปนาสมาธิได้เข้าสู่อัปปนาสมาธิก็จะเป็นสัมมาสมาธิสมาธิที่ถูกตัง้งต้องเป็นอัปปนาสมาธิคือเป็นความสงบเป็นความนิ่ง ที่ไม่มีความคิดปรุงแต่งมีแต่อุเบกขาคือปราศจากความรักความชังความกลัวความหลงใจเป็นกลางใจมีความสงบนิ่งมีความสุขเป็นอย่างมากมีคือสมาธิที่จะสนับสนุนการเจริญปัญญาหรือการเจริญมรรคคือสมาทิทิสมาสังกโปรต่อไปต้องเป็น สัมมาสมาธิมิจฉาสมาธิคือสมาธิอย่างไรก็คือนั่งแล้วไปเห็นสิ่งนู้นสิ่งนี้ปรากฏขึ้นมาเห็นรูปเห็นเห็นรูปได้ยินเสียงได้อะไรสัมผัสกับอะไรต่างๆการเห็นสิ่งต่างๆนี้ไม่ได้เป็นสัมมาสมาธิเพราะจะไม่ทำให้จิตมีพลังที่จะต่อสู้กับกิเลสตัณหา คือจะไม่มีอุเบกขาไม่มีความสุขไม่มีความอิ่มพอนั่งไปแล้วก็จะไม่สามารถนำามาไปใช้ในการต่อสู้กับกิเลสตัณ ห, หาละตัณหารอดความอยากต่างๆดับความทุกข์หยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้ต้องมีสัมมาสมาธิคืออัปปนาสมาธิที่จะเป็นตัวที่มีกำลังที่จะต่อสู้ต่อต้าน กิเลสตัณหาที่จะคอยชุดรากจิตใจให้ไปเวียนว่ายตายเกิดถ้ามีกำลังแล้วมีปัญญาคือมีสัมมาทิฏฐิเห็นว่าการทำตามกิเลสตัณหานี้เป็นการนำไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดก็จะฝืนจะไม่ทำตามกิเลสตัณหาแล้วถ้ามีสัมมาสมาธิก็จะมีกำลังที่จะฝืนกิเลสตัณหาได้เพราะจะอยู่เฉยๆได้ จะสักแต่ว่ารู้ได้กิเลสตันหาบอกว่าดีอย่างไรก็ไม่ไปทำไม่เอาสุขอย่างไรก็ไม่เอาอยู่เฉยๆดีกว่าไม่ทำตามกิเลสดีกว่านี่คือปัญญาถ้ามีมรรคที่เป็นองค์แปครบทวนบริบูรณ์แล้วก็จะสามารถที่จะต่อต้านกระแสของวัฏตะ ของการเวียนว่ายตายเกิดได้ก็ ค, คือกระแสของกิเลสตัณหานี่ที่เรียกว่ากิเลสของการเวียนว่ายตายเกิดเราทวนกระแสด้วยการจเจริญมรรคที่มีองค์8ดถ้าเรามีมรรคที่มีองค์แดเราก็จะสามารถทวนกระแสถ้าเป็นเรือก็ไม่ได้เป็นเรือพายแต่จะเป็นเรือที่มีเครื่องถ้ามีเรือเครื่องก็สามารถวิ่งทวนกระแสน้ำได้ ถ้าเป็นเรือพายก็อาจจะพายไม่ไหวนอกจากมีแรงมากก็อาจจะพายได้ถ้าเป็นเรือที่ไม่มีพายก็จะไม่สามารถที่จะไหลย้อนกระแสได้ต้องไหลไปตามกระแสเพียงอย่างเดียวนี่คือเรื่องของมรรคที่มีองค์แปดที่พระพุทธเจ้าได้ทรงเจริญและได้ทรงหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายด้วยมรรคที่ทรงเจริญนี้ ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายเหมือนอย่างที่พวกเรากำลังเป็นกันอยู่ในขณะนี้ที่พวกเราจะกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บกันมาตายกันอยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดมรรคแปดนี้บางทีพระ อ, องค์ก็ทรงสแสดงเป็นสามคือแทนที่จะเป็นมรรที่มีองค์แปดพระ อ, องค์ก็ย่อ รือรวมส่วนรวมมรรคให้มาเหลือสามถ้าแสดงให้กับนักบวชก็แ ส, สดงศีลสมาธิปัญญานักบวชนี้ไม่ต้องทำบุญแล้วเพราะว่าหมดหน้าที่แล้วได้ทำบุญเต็มที่แล้วได้สระทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองไปหมดแล้วไม่มีเงินที่จะไปทำบุญแล้วก็เราไม่ส่งสอนให้ทำทานสอนให้รักษาศีล สีนก็คือสัมมากรรมโตสัมมาวาจาสัมมาอาชวานี่เองคือส่วนสมาธิก็คือสัมมาสติกับสัมมาสมาธิแล้วปัญญาก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะสมาธิก็คือการรับรึกชอบเรียกว่าสัมมาสติ สมาสติสมาธิก็ทําให้จิตเป็นอัปปนาสมาธิเข้าสู่ความสงบอย่าให้ไปเป็นจิตที่ไปเรเรื่องราวต่างๆจิตที่ไปได้อภินยาสมาธิที่ได้อภินยาเช่นมีตาทิพย์หูทิพย์อ่านวาละจิตของผู้อื่นได้รับเ ล, ลึกชาติได้อภินยาเหล่านี้ไม่เป็นประโยชน์ต่อการต่อสู้กับกิเลสปัญหาสู้กิเลสไม่ได้ อภิญญานี้แพ้กิเลสกลับกลายเป็นลูกน้องของกิเลสไปอภิญญานี้สู้ฆ่ากิเลสไม่ได้ผู้ที่จะสู้ต้านกิเลสได้ก็ต้องเป็นอัปปนาสมาธิเพราะจะไม่ทำตามกิเลสได้จะอยู่เฉยๆได้เวลากิเลสบอกให้ไปเอากาแฟมันก็ไม่ไปถ้ามีอัปปนาสมาธิแล้วถ้ามีปัญญากากับด้วยว่า อย่าทาตามกิเลสทําตามแล้วมันจะพาเราไปสู่การเกิดแก่เก็บตายอยู่เรื่อยๆถ้ามีปัญญาสอนนัมีอัปปนาสมาธิก็จะไม่ทําตาเกิเลสได้แต่ถ้ามีอุปจารสมาธิหรือมิจฉาสมาธิสมาธิที่มีอภิญญาถึงแม้จะมีตาที่ผูทิศจะรนึกชาติได้อ่านวาจิตของผู้อื่นได้เวลากิเลสสั่งให้ไปทไําลายก็สู้กิเลสไม่ได้ ต้องยอมแพ้ต้องทําตามกิเลสสั่งจึงต้องระมัดระวังเวลานั่งสมาธิอย่าไปรู้อย่าไปเห็นอะไรเวลาจะรู้จะเห็นอะไรอย่าไปสนใจให้ใช้สติดึงใจให้กลับมาสักแต่ว่ารู้ให้กลับมาอยู่ที่อุเบกขาอย่าปล่อยให้มันตามไปกับเหตุการณ์ต่างๆเรื่องราวต่างๆที่มาปรากฏในสมาธิ นี่คือมรรคปคือศีลสมาธิปัญญาสำหรับถ้าสั่งแสดงให้กับนักบุญก็คือศรัทธาคาวาะญาติโยมที่ยังมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอยู่ก็ทงสอนให้สละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอย่าใช้ทรัพย์สมบัติไปตามกําลังตามคําสั่งของกิเลสตัณหาว่ามันจะพาให้ไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดไม่ได้ไปตัดภพชาติตัดการเวียนว่ายตายเกิด ต้องไม่ใช้เงินไปตามคำสั่งเอาเงินที่กิเลสตานาสั่งให้ไปทำนี้เอามาใช้กับการทำบุญแทนเอามาสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างกุฏิสร้างวิหารเพื่อสนับสนุนผู้ที่เขาเป็นนักบวชให้เขาได้ปฏิบัติกันอย่างสะดวกสบายไม่ต้องมากังวลกับการก่อสร้างถาวรวัตถุต่างๆเพื่อให้เขาได้เรียนรู้ได้จบ ได้บรรลุธรรมเพื่อที่จะได้มาเป็นครูเป็นอาจารย์มาสั่งมาสอนพวกที่ยังไม่รู้ให้ได้รู้กันและได้ปฏิบัติกันอย่างถูกต้องเมื่อได้รู้จากผู้ที่ปฏิบัติที่บรรลุธรรมแล้วก็จะได้รู้ความจริงที่ถูกต้องรู้มรรคแปที่ถูกต้องว่าเป็นอย่างไรแล้วถ้านำมาไปปฏิบัติต่อไปก็จะได้บรรลุธรรมได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด นี่คือการใช้เงินทองที่ถูกต้องของของนักบุญของผู้ครองเรือนคือเอาไปทำบุญอย่าเอาไปใช้ตามความอยากอยากจะไปเที่ยวก็อย่าไปอยากจะไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆก็อย่าซื้อเอาเงินมาทำบุญดีกว่าแล้วกิเลสตัณหามันก็จะน้อยลงไปภพชาติก็จะได้น้อยลงไปแล้วก็จะทำให้มา รักษาศีลมาภาวนาได้ศีลก็เหมือนกันศีลก็เป็นเหมือนกับของพระเพียงแต่เป็นศีลห้าแทนที่จะเป็นศีลแปดศีลสิบศีลสองรอยีิบเจ็ดก็เป็นศีลห้าอาจจะถือศีลของนักบวชในวันพระเพื่อเป็นการชิมชิมไว้ก่อนทดลองไว้ก่อนซ้อมไว้ก่อนต่อไปถ้ามีเวลาว่างมากขึ้นก็จะได้มาถือศีลแปดมากขึ้น มาปฏิบัติภาวนาภาวนาก็คือสมาธิและปัญญานี้ดังั้นทานศีลภาวนาก็คือทานศีลสมาธิปัญญาศีล ส, สมาธิปัญญาก็เป็นมรรคถ้าสำหรับคารวะก็มีทานเพิ่มมาอีกองหนึ่งเป็นมรรคเก้าเพราะว่าต้องทำบุญก่อนถึงจะมีเวลามาปฏิบัติทำได้ ถ้าเอาเงินไปเที่ยวเําเงินไปซื้อของต่างๆพอเงินหมดก็ต้องไปหาเงินมามามาม า, มาเที่ยวมาซื้อของใหม่ก็จะทําให้ไม่มีเวลาที่จะมารักษาศีลเจริญสมาธิจเจริญปัญญาเวลาสอนคารวาะญาติโยมพระพุทธเจ้าจึงสอนให้จเจริญทานศีลภาวนาทำทานรักษาศีลแล้วก็ภาวนา ภาวนาก็มีสองระดับสมถภาวนาก็คือการนั่งสมาธิทาใจให้สงบวิปัสนาภาวนาก็คือการเจริญปัญญาให้เห็นตายรักเห็นอริยสัจสี่อันนี้เหมือนกันก็เป็นมรรคเหมือนกันมรรคแปดเหมือนกันเพียงแต่ว่ามีทานเพิ่มเข้ามาอีกข้อหนึ่งก็เลยกลายเป็นมรรคก 9, ้ามรรคแปดบวกหนึ่งมรรคแปดบวกทาน สำหรับนักบวชนี้ก็ไม่ต้องสอนเรื่องฐานเพราะไม่มีเงินแล้วไม่ใช่หน้าที่ของนักบวชที่จะมาทําบุญสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์ JD, สร้างวัดสร้างอะไรต่างๆหน้าที่ของนักบวชก็ให้เจริญสีนสมาธิปัญญาไปเพียงอย่างเดียวสรุปแล้วก็คือเป็นมรรคเหมือนกันเป็นทางสู่การบุดพ้นจากกองทุกข์เหมือนกันแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นทางสายกลาง คือมัจจิมาปฏิปทาแปลว่าอย่างไรแปลว่าเป็นทางที่อยู่ระหว่างทางอีกสอ ง, สองทางทางสุดตรงทางที่ไม่ใช่เป็นทางที่ดับทุกขนะ์คือทางบางคนก็ใช้การดับทุกข์ด้วยการไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเช่นะ ไ, ไปกินเลี้ยงไปดูหนังฟังเพลงไปร่วมหลับนอนกับแฟนนะอันนี้ไม่ได้เป็นการดับทุกข์ ที่ถาวรดับได้ชั่วคราวดับแล้วเดี๋ยวความทุกข์ก็จะกลับมาใหม่ก็ต้องดับอีกแล้วถ้าไม่ได้ดับด้วยการอาหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จะกลายเป็นสร้างความทุกข์ขึ้นมาอีกเช่นเวลาแก่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาตายนี้ไม่สามารถสร้างไม่สามารถดับความทุกข์ด้วยการหาความสุขจากทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ะ ความทุกข์นั่นก็จะขยายเพิ่มมากขึ้นไปแทนที่จะดับทุกข์กับการเป็นการขยายความทุกข์มากขึ้นทางนี้พระตจ่าก็บอกว่าอย่าไปการเสพการเพื่อดับทุกข์ไม่ใช่ทางพระองค์เคยเสพมาแล้วพระองค์เคยเป็นพระราชาโอรสแล้วมีทรัพย์มีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอย่างเต็มที่แล้วแต่ก็ไม่สามารถดับความทุกข์ทางใจได้ อีกทางหนึ่งก็ส่งให้ละเว้นคือการดับความทุกข์ทางใจด้วยการทารมานร่างกายด้วยวิธีต่างๆอันนี้ก็ไม่สามารถดับความทุกข์ไดเ้เช่นนั่งบนที่นั่งที่ที่แหลมคมนั่งแล้วเจ็บปวดหรือไม่ตัดผมไม่โกนหนวดไม่ใส่เสื้อผ้าดรืยยืนหรือทำอะไรอยู่ในอิระยาบทนั้นไปนาน ๆ, ๆยืนไปนาน ๆ, ๆ ทำอะไรต่างๆทรมานร่างกายด้วยวิธีต่างๆอันนี้ไม่ใช่เป็นวิธีที่จะฆ่ากิเลสตัณหาได้ทําไปก็ไม่เกิดประโยชน์ให้ละทางสุดตรงทั้งสองทางนี้ทางหนึ่งก็คือการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อดับความทุกข์ใจอีกทางหนึ่งก็ให้ทรมานร่างกายไหนๆมันจะทุกข์ก็ให้มันทุกข์ไปเลยดูซิว่าจะเป็นอย่างไรมันก็ไม่ดับความทุกข์ได้ พระพุทธเจ้าเคยอดไปไกายอาหารถึง4ี่ส้าวันมันก็ยังทุกข์อยู่ภายในใจเพราทุกข์อยู่ทุกข์ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายต้นเหตุของทุกข์ก็ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายอยู่ที่ใจต้องมาละต้นเหตุที่ร่างที่ใจด้วยการภาวนาด้วยการเจริญมัคค ก, ก์ด้วยการเจริญสีสมาธิปัญญา พ อ, อกเจริญสินสมาธิปัญญาก็จะมีกําลังที่จะมาละต้นเหตุของความทุกข์ใจคือกามตัณหาภาวตัณหาและวิภวะตัณหาได้นี่ท่านเรียกว่าทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทามรรคที่เป็นองค์แปนี้เป็นทางสายกลางทางที่อยู่ระหว่างความการปฏิบัติที่สุดตรงสองท่าสองทาง ที่ไม่ได้ดับทุกแต่เป็นการสร้างความทุกข์ขึ้นมาโดยใช่เหตุไม่ให้ไปในทั้งสองทางนั้นให้มาทางนี้ทางตรงกลางนี้อยู่ระหว่างการการบำรุงบําเลอรร่างกายกับการทำละมานร่างกายทั้งสองทางนี้ไม่ใช่ทางสู่การดับความทุกข์ต้องดับด้วยมรรคแปดคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกรปร สัมมากรรมมันโตสัมมาวาจาสัมมาวายามโอสัมมาสติสัมมาสมาธิ ah ก็คือการความเห็นที่ถูกต้องการคิดที่ถูกต้องการกระทําที่ถูกต้องการพูดที่ถูกต้องอาชีพที่ถูกต้องการความเพียรที่ถูกต้องการนัลึกรู้ที่ถูกต้องและการตั้งมั่นของจิตที่ถูกต้อง อันนี้เป็นสิ่งที่จะทําให้จิตของเรามีกำลังที่จะทาําลายข้าศึกศัตรูที่จะคอยฉุดลากจิตให้ไปเวียนว่ายตายเกิดก็คือกิเลสได้แกค่ความโลภความโกรธความหลงหรือตันหาคือกามะตันหาภาวะตันหาและวิภาวะตันหาให้ทําลายกิเลสตันหาแล้วภพชาติก็จะหมดไป การเกิดแก่เจ็บตายก็จะหมดไปนิพพานก็จะปรากฏขึ้นมาภายในใจแล้วก็จะอยู่ในนิพพานนั้นไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดพระพุทธเจ้าภาษาวกทั้งหลายท่านได้ไปถึงพระนิพพานแนละท่านกําลังอยู่ที่พระนิพพานอยู่ในขณะนี้ท่านกําลังรอพวกเราอยู่ถ้าพวกเราสามารถจะเรียนมรรคที่มีองค์แปดนี้ได้พวกเราก็จะสามารถ ไปอยู่กับพระพุทธเจ้าไปอยู่กับพระอ า, ารานตสาคกทั้งหลายได้เหมือนกับรถยนต์ของพวกเราตอนนี้ไม่มีน้ำมันเราจรึงไม่สามารถขับไปถึงพระนิพพานได้ถ้าเราอยากจะไปนิพพานเราก็ต้องเติมน้ำมันรถยนต์ของเราพอเราเติมน้ำมันแล้วเราก็ขับรถไปถึงบ้านที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายอยู่กันได้ตอนนี้เราต้องมาเติมน้ามันมาเติมมากแปดกัน ถ้าเราเติมมากแบบได้เต็มถังแล้วเทนี้ใจของเราก็จะสามารถไปถึงพระนิพพานได้อย่างแน่นอนไม่ต้องสงสัยธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นอาการลิโกไม่ได้หมดไปกับพระพุทธเจ้าผู้ที่ปฏิบัติในยุคปัจจุบันนี้ก็ยังสามารถไปถึงพระนิพพานได้เช่นเดียวกับผู้ที่ปฏิบัติในยุคของพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรแตกต่างกันเหมือนกับน้ํามันเมื่อห้าสิบปีก่อนน้ํามันกับ สมัยนี้มันก็น้ำมันเหมือนกันเนำน้ำมันเข้าไปในรถแล้วมันก็ทําให้รถวิ่งได้เหมือนกันะเติมรรคแปดเข้าไปในใจในวันนี้ก็ไปถึงนิพพานได้เหมือนกับพระพุทธเจ้าและบารสัมกทั้งหลายที่ได้เติมมรรคแปดเข้าไปในใจได้ไปถึงพระนิพพานแล้วก่อนหน้าพวกเราพวกเราตอนนี้มาเติมมรรคแปดกันหมดพอเราได้เติมมรรคแปดจนเต็มถังแล้วเราก็จะไปถึงพระนิพพานได้เช่นเดียวกัน จึงขอให้พวกเราจงมีความแน่ว แ, แน่ต่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามันพยายามฟังเทศฟังธรรมศึกษาเรื่องของมรรคแดให้เกิดความเข้าใจอย่างพังแท้และถูกต้องเพื่อที่จะได้นำออกไป ป, ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเมื่อปฏิบัติถูกต้องแล้วผลก็จะปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ ขออนุโมทนาให้พรยะถาวารรวะหาปุราปาริปุเรนติสาขลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานาังอุปกาปะติอิทิตังปัทิตังตุมหังคิปเปเมวะสมิจตตสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนะราโสยะามณิโชติหระโสยะาสัพพิติโยวิวาจันโตสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตารายสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนาสีลิปสานิจจังวุทธาปจายโน จตรรารโมวทานติอายุวโนสุขังภาวน์ต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาทางภาษาไทยใครอยากจะถามก็เชิญถามได้ค่ะนวสัสการ์ค่ะหลวงพ่ออันนี้เป็นคำถามฝากถามจากประเทศเยอรมันค่ะ อ, อมาไกลเพื่อนโทรมาจากประเทศเยอรมันเมื่อสองวันค่ะถามว่า เ, เรา อ, อยู่เมืองนอกต้องใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกแล้วก็ต้องอยู่กับผู้คนที่ทึ่งไม่มีศีลเช่นดื่มเหล้าเมายาแล้วก็ต้องโกหกอยู่ในสังคมตรงจุดนั้นแล้วเรามีธรรมะมีศีล แล้วเราก็กลายเป็นบุคคลที่แปลกประหลาดสำหรับในกลุ่มนั้นของเขาแล้วหนูก็เขาก็ฝากมาถามว่าแล้วเราจะอยู่ตรงนั้นแล้วใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างแดนตรงนั้นอย่างมีความสุขอย่างไรขอให้พระอาจารย์แนะนำด้วยเจ้าข่าเพราะว่าเขาติดตามอยู่เราก็อย่าไปเป็นเหมือนเขาเสีอย่าไปอยากเป็นเหมือนเขาเราก็เป็นตามตามที่เราเป็นเราเป็นคนไทยเราทาไมอยู่ออกับเขาได้เขาเป็นฝรั่งเราเป็นคนไทยเราก็อยู่ออกับเขาได้ เพราะเราไม่ได้อยากไปเป็นเหมือนเขาเราไม่ได้อยากไปเป็นฝรั่งใช่ไหมเราก็อยู่แบบของเราไปก็อยู่ด้วยกันได้ปัญหาของอยู่ที่ตัวเราเราอยากจะไปเหมือนเป็นเหมือนเขาหรือเราไม่อยากจะไปเป็นเหมือนเขาเราก็เลยทําให้เราทุกข์ขึ้นมาเท่านั้นเองงั้นเราก็อย่าไปอยากเป็นเหมือนเขา ใช่ค่ะเขาไม่อยากเป็นเหมือนเขาไม่อยากดื่มเหล้าเขาไม่อยากเป็นเหมือนเขาอก็ไม่ต้องดื่มแล้วก็เป็นเหมือนเราไปเลยแล้วทีนี้เราจะอยู่กับเขาตรงนั้นอะแล้วลม่ก็เหม็นก็เหมือนําบางเขากินแล้วก็เขากินเหล้าแล้วกินโซดาไปเลยอ๋อเจ้าค่ะกินเหล้าไปเจ้าค่ะเจ้าค่ะสารสกัดแต่ก็เป็นอิสลามเขาไม่กินหมูเขาเราถ้าเราเป็นสลามเราก็ไม่กินหมูเขากินหมูเขาปล่อยว่ากินไปเราก็ไม่กินหมูไปถ้าไม่จะอยู่ด้วยกันไม่ได้ นอกจากเขาบังคับให้เรากินนะถ้าบังคับ ก, ก็อยู่ด้วยกันไม่ได้เราก็ต้องกลับบ้านดีกว่าคําถามจากทางบ้านจากคุณแนนตัวเองจะรู้สึกไม่พอใจเวลาที่ใครทําอะไรไม่ถูกใจจะงูดหงิดเลยพานพูดไม่ยั้งคิดและจะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งคือมักจะรู้ตัวทีหลังทุกทีและจะเสียใจกับการกระทําของตัวเองเสมอ พยายามบอกเตือนตัวเองแต่สุดท้ายก็ยังเหมือนเดิมไม่อยากให้ตัวเองมีนิสัยแบบนี้ค่ะแบบนี้ควรทําอย่างไรคะควรพยายามมองคนเราว่ามันเป็นเหมือนผลไม้มีหลายหลายชนิดด้วยกันคนเราบางคนก็เป็นกล้วยบางคนก็เป็นส้มบางคนก็เป็นมะละกอเราจะไปมองคนทุกคนให้เป็นมะละกอไปหมดนี่ไม่ได้พอเขาไปเป็นกล้วยเราก็ไม่ไม่สบายใจขึ้นมา พอเราอยากให้เขาเป็นมาลคอเ้าใจไหมเรนมองคนทุกคนว่าแต่ละคนเขาก็มีนิสัยของเขาบางคนก็ดีบางคนก็ไม่ดีบางคนก็กลางๆดีบ้างไม่ดีบ้างสามวันดีสี่วันไข้เราก็ต้องอย่าไปอยากให้เขาเป็นตามที่เราต้องการแล้วเราก็จะไม่ไม่โกรธเกลีดยดไม่ราคาญใจยอมรับว่าเขาต้องเป็นอย่างนี้แหละคำถามจากคุณมนานัส เมื่อก่อนนั่งสมาธิจนผ่านเวทนาจนรู้สึกไม่มีกายภายหลังจิตตามรู้เองในกายรู้เวทนารู้ความนึกคิดโดยตลอดเกิดความกลัวในความรู้แบบนี้เลยกินเบียให้ลืมความรู้ตัวนี้อนตอนนี้ยังเป็นอยู่ควรทำเช่นไรต่อไปครับก็โทกิเลสหรอกไ่กินเบียนั้นจะไปแก้ปัญหาได้กินเบียแล้วมันก็เมาเลยจะแก้ปัญหาได้มันต้องมีสติมันไม่เมา รู้แล้วก็ปล่อยวางอย่าไปทำอะไรแล้วมันก็ไม่ทุกปล่อยวางตามความเป็นจริงคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามจากที่เคยได้ยินมาลำดับขั้นของนั่งสมาธิจะเป็นวิตกวิจารปิติสุขเอขะกขตาขอพระอาจารย์ช่วยอธิบายเพื่อความเข้าใจดีที่ดีขึ้นค่ะก็เหมือนขับรถเนี่ยก็เปลี่ยนเกียร์ยตอ น, นออกรถก็เกียร์หนึ่ง วิ่งไปสักพักก็ต้องเปลี่ยนเกียร์ถ้ามันจะให้วิ่งเร็วขึ้นก็เข้าเกียร์สองจากเกียร์สองมันก็เปลี่ยนเป็นเกียร์สามแบบเกียร์ออโต้เนี่ยมันก็เปลี่ยนโดยอัตโนมัติใช่ไหมเรานั่งสมาธิมันก็จะเข้าไปแบบอัตโนมัตินั่งไปแล้วมันก็จะไปเจอปิติเจอสุขมีวิตกมีวิจารณแล้วมันก็เปลี่ยนไปสงบไปมากขึ้นมากขึ้นแล้วเดียวมันก็หายไปหมดเหลือแต่อุเบกขาก็เข้าเกียร์สี่ไม่ต้องเราไม่ต้องไปเปลี่ยนมันเปลี่ยนเองมันเป็นเกียร์ออโต้ ขอให้เราเหยียบน้ำมันคือพุโทโธพุธโทโธไปอย่างเดียวพอแล้วเดี๋ยวรถมันก็จะเปลี่ยนเกียรงจิตมันก็จะสงบไปตามลำดับของมันเองถ้าเรามีพุโทโธอยู่ในใจไม่ไปคิดอะไรและในการนั่งสมาธิทุกคนต้องผ่านทุกขั้นไหมคะเช่นจำเป็นต้องมีปิติเกิดขึ้นไหมถึงจะเรียกว่าก้าวหน้าเพราะที่ผ่านมาจะภาวนาพุโทโธแล้วก็แค่รู้สึกสงบโลง่ลงๆสบาย ยังไม่เคยมีแสงหรืออาการปิติตามที่คนกล่าวกันค่ะก็ไม่จำเป็นบางคนก็มีบางคนก็ไม่มีบางคนก็ไปแบบพุทธเข้าเกียร์สี่เลยตกหลุมตกบ่อรวมเข้าสู่ความสงบเลยขอให้ถึงเกียร์สี่ก็แล้วกันส่วน จ, จะผ่านเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามอย่างไรไม่ไม่สำคัญขอให้มีพุโทโธพุโทโธไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะเข้าสู่เบกขายคาถามจากคุณสมภพ เราชาวพุทธสมควรไหว้พระพรมพระภูมิเจ้าที่หรือไม่ครับและควรจะมีการตั้งสารพระพรมสารพระภูมิเจ้าที่ในบ้านในบริเวณบ้านหรือที่ทํางานหรือไม่ครับคือการไหว้ใครนี้มันก็อยู่ที่ธรรมเนียมประเพณีของสถานที่ที่เราไปอยู่ถ้าก็มีธรรมเนียมให้ไหว้เราก็ไหว้ได้เช่นไหว้พระเจ้าแผ่นดินไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่ไหว้ใคร ถ้าเป็นธรรมเนียมประเพณีของสังคมที่เราอยู่เขาให้เราไหว้เราก็ต้องไหว้แต่เราถ้าเราไม่มีทุกไม่มีอะไรมาบางังคับให้เราไหว้เราก็ไม่ต้องไหว้ถึงแม้ไหว้ก็ไหว้เป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นธรรมเนียมเท่านั้นเองคำว่าไหว้กับความกับความเชื่อนี้ไม่เหมือนกันไหว้ได้แต่อย่าไปเชื่อให้เชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นที่เป็นอาจารย์ที่แท้จริงคนอื่นนี่เป็นอาจารย์ ก็เป็นอาจารย์ที่ไม่ไม่เก่งเท่าพระพุทธธรรมพระสงฆ์เห็นไถ้าเราอยากจะได้วิชาความรู้ที่เป็นเลิศที่สุดเราควรที่จะเชื่อพระพุทธธรรมพระสงฆ์ถ้าเปรียบเทียบพระพุทธธรรมพระสงฆ์ก็เป็นเหมือนพวกที่เป็นจบด็อกเตอร์พวกที่จบปริญญาเอกส่วนพวกอื่นนี้เป็นเหมือนพวกที่จบปริญญาตรีโทสูพส้พวกที่จบด็อกเตอร์ไม่ได้เห็นไหถ้าเราอยากจะได้ความรู้ที่สามารถ พาให้เราได้หลุดพ้นออกจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายเราต้องเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นแต่ถ้าไปเชื่อพระพรมก็ได้ไปแค่ชั้นชั้นพรมถ้าไปเชื่อเทพก็ไม่ได้แค่ชั้นเทพนฉะนั้นแล้วแต่เราเราอยากจะได้อะไรเราก็เลือกเอาก็แล้วกันคําถามจากคุณเลดี้ภูแม่ที่ตายไปแล้วสองปีเรายังทําบุญวันครบบวันตาย หรือวันพระวันสําคัญต่างๆให้ท่านท่านยังจะได้รับผลบุญนั้นไหมคะรวมถึงญาติที่ตายไปนานแล้วด้วยค่ะส่วนใหญ่คนที่เขาตายไปแล้วเขาก็มักจะไปรับผลบุญผลบาปของเขาไปสวรรค์หรือไปอบายถ้าไปอบายก็มีพวกเดียวที่จะมารับบุญก็พวกเปรตถ้าเขาจะมารับบุญนี้ส่วนใหญ่เขาจะต้องส่งสัญญาณมาบอกเราก่อนแล้วละ ด้วยทาบุญใส่บาตรให้หน่อยเขามาเข้าฝันเราอะไรแล้วพอเราทําบุญใส่บาตรเขาก็มาบอกเราว่าขอบใจสาธุได้ของแล้วอถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าเขาได้รับเนี่ยแต่ถ้าทําไปแล้วไม่รู้ว่าเขาขอหรือเปล่าเขารับหรือเปล่าก็เราก็ทําเผื่อไปเท่านั้นเองก็ไม่เสียหายตรงไหนเพราะบุญที่เราทํานี้ส่วนใหญ่จะเป็นของเราอยู่แล้วเพื่อที่จะป้องกันให้เราเวลาตายไปจะได้ไม่ต้องไปเป็นเปรต คำถามจากคุณไม่อยากรู้หนึ่งพิจารณาถาสี่ขันหผ่านแล้วทําต่อไปอีกมันก็ไม่ได้เหมือนทําได้ครั้งเดียวผ่านแล้วขั้นต่อไปให้ทําอะไรคะก็ไปไปเข้าห้องสอบดูสิว่าผ่านจริงหรือเปล่าการทดสอบการพิจารณาเฉยๆมันยังไม่ได้เข้าห้องสอบเหมือนเป็นการทำการบ้านต้องไปเข้าห้องสอบไปอยู่ป่าช้าคนเดียวไปอยู่ในป่าลึกๆคนเดียว ไปอยู่กับงูกับสิงสาลาสัตว์ต่างๆอยู่ใกล้ความตายดูดูซิว่าจะผ่านไม่ผ่านข้อที่สองการดูจิตกับการดูสภาวะคือเรื่องเรื่องเดียวกันไหมคะต่างกันอย่างไรไหมคะดูจิตก็ต้องรู้ว่าจิตเป็นอะไรก่อนต้องเห็นตัวจิตก่อนการที่จะเห็นตัวจิตได้นี่ก็ต้องเข้าไปในสมาธิก่อนถึงจะเห็นตัวจิตได้จะเห็นการเคลื่อนไหวของจิต เวลาจิตเคลื่อนไหวไปในทางดีเคลื่อนไหวไปในทางไม่ดีก็จะเห็นแต่ถ้ายังไม่มีสมาธินี้จะไม่เห็นเพราะใจมันจะไปเห็นที่ร่างกายแทนไปเห็นที่ความคิดแทนร่างกายกับความคิดนี่ไม่ใช่เป็นตัวจิตนะเห็นั้ต้องเข้าไปถึงตัวจิตก่อนถึงจะเห็นตัวจิตเวลาที่มันโกรธมันโลบมันหลงจะเห็นตรงนั้นการเห็นตัวจิตก็คือต้องเห็นเวลามันโกรมันโกรธมันหลง แล้วหยุดมันได้ถ้าเห็นแล้วหยุดมันไม่ได้ก็แสดงว่ายังไม่เห็นจริงถ้าเห็นจริงแล้วมันต้องหยุดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆได้การเห็นสภาวะก็เห็นสิ่งต่างๆเช่นเห็นร่างกายร่างกายก็เป็นสภาวะอย่างหนึ่งเห็นว่ามันไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอันนี้ก็เรียกว่าเห็นว่าเห็นด้วยปัญญา ถ้าเห็นด้วยความหลงก็คิดว่ามันจะต้องไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันจะต้องสาวไปเรื่อยๆมันจะต้องสวยไปเรื่อยๆอันนี้ก็เรียกว่าเรียกว่าเห็นด้วยกิเลสดังนั้นการเห็นสภาวะก็เห็นได้สองแบบเห็นด้วยปัญญาหรือเห็นด้วยกิเลสเห็นด้วยกิเลสก็คือความหลงหลงคิดว่าร่างกายนี้ต้องสวยต้องงามไปตลอดไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตาย ถ้าเห็นได้ปัญญาก็ต้องเห็นว่าเดี๋ยวมันก็ต้องแก่เดี๋ยวมันก็ต้องเจ็บแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องตายนนี้ก็เห็นสภาวะเหมือนกันแต่เห็นแบบไหนเห็นแบบกิเลสหรือเห็นแบบธรรมแต่เห็นแบบกิเลสก็หลงก็จะทําให้ทุกข์เวลาร่างกายมันแก่มันก็จะทุกข์ขึ้นมาแต่เห็นแบบธรรมมันก็ไม่ทุกข์เวลาร่างกายแก่มันก็เฉยๆก็รู้อยู่แล้วมันจะแก่คําถามจากคุณนาวาโดยรวมตัวเองก็มีความสุขดีในระดับหนึ่ง แต่เล็กจนโตไม่เคยห่างจากแม่เลยเป็นหมอและโสดคุณแม่เสียชีวิตมาได้หกเดือนมันเป็นความสูญเสียแบบแทบขาดใจไม่มีความสุขเลยเห็นภาพแม่น้ำตาก็ไหลเห็นคนไข้าอายุรุ่นแม่เห็นคนสูงวัยเดินตามถนนก็น้ำตาไหลอยู่คนเดียวก็เห็นแต่ภาพแม่ตลอดเวลาทำใจอยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่นิ่งนอนร้องไห้กอดรูปแม่ทุกคืน นั่งสมาธิสนทนาธรรมกับพระอยู่บ่อยครั้งแต่ยังไม่นิ่งใจมันทุกข์ด้วยหน้าที่ต้องเจอคนสูงวัยเจ็บป่วยตลอดเวลามันสะเทือนใจคิดถึงแม่มากมายทุกข์เหลือเกินค่ะควรทำอย่างไรดีคะเราลองพยายามเจริญสติหยุดความคิดให้ได้นะพุโทโธพุโทโธไปแล้วก็จะคลายความทุกข์ได้ในระดับหนึ่ง อัดับที่สองก็พิจารณาร่างกายว่าร่างกายทุกคนไม่ว่าจะเป็นของแม่หรือของใครก็เหมือนกันหมดเกิดมาแล้วเดยวก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาแต่ร่างกายนี้ไม่ได้เป็นของใคร <Evet. S 1> คนที่ใช้ร่างกายนี้ไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายเช่นแม่ของเรานี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย <S <S แม่เราเมื่อใช้ร่างกายไม่ได้แม่เราก็ไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่ คำถามจากผู้ฝากถามคนที่ตายไปแล้วหลายปีแต่คนในบ้านยังบอกว่ายังเห็นวิญญาณแว บ, บๆยืงอยู่ในบ้านอยู่ไม่ไปไหนจริงๆแล้วมันเป็นไปได้ไหมคะถ้าเป็นวิญญาณจริงก็ต้องคุยกันได้ถ้าคุยกันได้ก็เป็นไปได้ถ้าถ้าคุยกันไม่ได้ก็ยังไม่ถือว่าเป็นวิญญาณจริงเป็นอุปทานมากกว่าขพ่อคะ่ะอันนี้ของหนูเอง หลวงพ่อหลวงพ่อคือหนูก็ใช้ยาพุทโธของหลวงพ่อทุกครั้งที่ท้อทุกครั้งที่เสียใจก็จะรีบใช้พุทโธแล้วมันก็หายเร็วอย่างที่หลวงพ่อกล่าวอออแล้วทีนี้หนูก็มีอยู่วันสองวันที่มันแต่ไม่ได้เป็นทุกวันนะเจ้าค่ะคือหนูเวลาหนูสวดมนต์แต่หนูค่อนข้างจะสวดเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะเจ้าค่ะแล้วทีนี้เวลาหนูล้มตัวนอนหลับไปเสียงสวดมนต์ ท, ท, ทั้งที่ตาหลับเนี่ยแต่เสียงอิติปิโสเนี่ยเจ้าค่ะมันอยู่ข้างใน แล้วหนูก็ไม่ได้ลืมตานะเจ้าค่ะหนูก็ยังหลับตาหนูคิดว่าเออก็สวดก็สวดไปแล้วหนูก็หลับเป็นอย่างนี้ประมาณสองครั้งแต่ไม่ใช่ติดต่อกันเจ้าค่ะก็เป็นก็ให้รู้ว่ามันเป็นกันแล้วกันมันถ้ามันดีก็ดีก็ดีไปถ้าไม่ดีก็รู้ว่าไม่ดีรู้ว่ามันไม่เที่ยงมันเกิดแล้วมันก็ดับไปแต่เป็นตอนขณะที่เรานอนนะเจ้าค่ะอ่มันเป็นผลที่เกิดจากการตอนที่เราตื่นตอนที่เราทําพวกนี้อยู่มันยังค้างอยู่ในใจ เวลาหลับมันก็เลยมาโพให้เราดูเหมือนเสียงที่ก้องกลางวานอ่ะพอพูดไปเล่ามันยังกลังวานอยู่การกระทำต่างๆความคิดต่างๆที่เราทำไว้มันยังกลังวานอยู่ในใจของเราเวลานอนหลับมันก็กลางวานนะก็แล้วแต่ก็คงจะเป็นอย่างนั้นนะทำะายมากมันก็จะฝังอยู่ในใจได้นาน คร ถ, ถามจากคุณบีนานะครับอยากทราบว่ากรรมอันใดทําให้เราไปอยู่ในเหตุการณ์ที่นกบินตัดหน้าแล้วสุดท้ายเราก็ชนนกจนน้ำตายและจะแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ก็อย่าอย่าไปขับรถเลยกรรมก็คือไปขับรถเลยเราขับรถมันก็เลยไอ้นกมันก็บินมันก็เลยมาเจอกันกรรมของนกมันก็บินกรรมของเราก็ขับรถมันก็เลยมาเจอกันถ้าไม่อยากจะเจอนกก็อย่าไปขับรถกันเดินไปก็แล้วกัน คำถามจะคุณปฏะดิษฐ์นะครับ <c oughs> ขณะนั่งสมาธิจะมีลักษณะเหมือนครึ่งหลับครึ่งตื่นควรจะปฏิบัติอย่างไรต่อไปครับไปหาไปนั่งที่มันน่ากลัวดูอไปนั่งที่ป่าชา้าหรือไปนั่งที่ปากเขียวแล้วว่าการครึ่งหลับครึ่งตื่นมันก็จะหายไปมันจะตื่นถ้าเพราะว่าถ้ามันหลับมันก็หัวทิ่มตกเขีวไปเลยหรือถ้าไปนั่งในป่าชา้าเดี๋ยวมาคิดแต่เรื่องผีพอคิดถึงเรื่องผีแล้วมันก็ไม่ง่วงอ่ะ คำถามจากคุณแสงจันนะครับตอนที่น้องสาวตายก่อนจะหมดลมได้บอกเขาว่าให้เขาทำใจสบายแล้วให้นึกถึงหลวงตาบัวแล้วบอกว่าพุโทโธพุโทโธเขาก็ตอบรับพอเวลาผ่านไปได้สิบวันก็ฝันเห็นเขามาหาแล้วชี้นิ้วมาทางตัวพอมองดูตัวเองกลับไม่เห็นร่างกายของตัวเองแต่กลับมองเห็นแต่หัวใจของตัวเองค่ะ จะถามท่านว่าเป็นอย่างนี้เพราะเหตุใดก็เป็นความฝันเนี่ยจิตมันก็ฝันมันก็ปรุงแต่งไปได้มันก็เป็นความคิดปรุงแต่งเหมือนกับเราแต่งนี่ยายเราจะแต่งอะไรก็แต่งได้ก็ใค่รู้ว่าเป็นความฝันก็แล้วกันคําถามที่คุณพรพมนะครับจะทําอย่างไรจึงจะฆ่ากิเลสจากใจของเราได้ครับก็ต้องมีศีลสมาธิปัญญาคําถามที่คุณหมีแพนด้านะครับ ถ้าเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เห็นถึงพระคุณคำสอนต่างๆที่เป็นหลักเพื่อพ้นทุกข์แต่ยังมีบางเรื่องเช่นเรื่องตายแล้วไปเกิดหรือนรกสวรรค์ที่แล้วยังไม่เห็นได้ด้วยตนเองจึงยังเหลือความสงสัยอยู่แต่อาศัยตัดความสงสัยนั้นด้วยเห็นว่ารู้ไปก็ไม่ค่อยเกี่ยวกับการปฏิบัติจึงละการสงสัยนั้นไปแบบนี้เรียกว่าวิกิจฉา ได้หรือเปล่าครับและสามารถปฏิบัติศีลสติสมาธิปัญญาเพื่อประลุธรรมระดับต่างๆได้หรือเปล่าครับเช่นโสดาบนันก็ลองปฏิบัติ ด, ดูซิลองดูปฏิบัติ ด, ดูจะปฏิบัติได้ปาคําคถามจะคุณมนตรีนะครับชาญสีจาเป็นต้องเข้าถึงใหม่ครับเข้าแล้วจะได้บุญใหม่ครับชาญสีเนี่ยเป็นเป็นเต้าไม้ที่ ทแท้จริงของการปฏิบัติเพราะได้ฌานสีแล้วจะได้พลังจิตที่จะมาต่อสู้กับกิเลสคือเบคาคำถามจากทาง YouTube นะครับคนที่พูดจาไม่ดีและบางครั้งพูดจาแรงและพยายามหยาบคายกับแม่บางครั้งแม่ถึงกับน้ำตาล่วงหลายครั้งหลายหนแต่ทำไมเขาถึงยังได้ดีไม่ได้รับผลกรรมใดๆเจ้าคะ มันคนละเรื่องกันการทำชั่วนี่บางทีกว่าจะได้รับผลมันก็อาจจะรอเวลาไปก่อนผลดีที่เขารับในตอนนี้อาจจะเป็นความดีที่เขาทำมาไว้ก่อนในอดีตก็ได้ดังนั้นบางทีมันไปจับแพ้ชนแกะกันนะขอให้รู้โดยคร่าวๆก็แล้วกันว่าคนดีย่อมได้รับผลดีคนชั่วย่อมรับผลชั่ว ท <N> ีคนเรามันมันไม่ดีไปหมดมันไม่ชั่วไปหมดมันปนกันมันก็เลยบางทีก็ดีบางทีก็ได้รับผลดีบางทีก็ได้รับผลชั่วพอดีไปรับผลดีขณะที่ทําชั่วก็เลยคิดว่าทําชั่วแล้วกลับได้ดีบางคนไปรับผลผลชั่วในขณะที่ทําดีก็เลยคิดว่าทําดีแล้วกลับไม่ได้ดีอันนี้เป็นเพราะว่าเราไม่เข้าใจเรื่องของเหตุของผลว่ามันต่างเวลาต่างเวลากัน ดังนั้งทีเราไม่รู้ว่าอดีตรเราทําดีทําชั่วมามากน้อยเพียงไรและผลดีหรือผลชั่วที่เกิดขึ้นกับเราในปัจจุบันนี้มันก็อาจจะไม่ได้เกิดจากผลดีผลชั่วที่เรากําลังทําในปัจจุบันนี้เพียงอย่างเดียวก็ได้มันมีหลายอย่างปนกันดังั้นขอให้เราเชื่อโดยหลักโดยรวมก็แล้วกันว่าทําดีมันย่อมได้ดีทําชั่วย่อมได้ชั่วเท่านี้จาก youtube นะครับจากคุณนุชนาทนะครับ การที่เรายังเป็นคาวาสจะสามารถบรรลุธรรมได้หรือไม่ได้ทั้งนั้นนะไม่ว่าเป็นท่าเป็นคารวาสถ้ามีศีลสมาธิปัญญาครบองค์ก็บรรลุได้<ม>เดี๋ยวช่วยเอาเด็กไปไว้ไปนั่งที่อื่นหน่อยได้ไห ม, มขอความกรุณามันรบกวนเสียงคนคุยกันเนี่ย<ม>ข้อที่สองหนูปฏิบัติธรรมรู้สึกอยากบวชปีกวิเวกรู้สึกเบื่อหน่ายทังโลกควรพิจารณาอย่างไรเจ้าคะก็ไปบวชเลยสิเมื่ออยากบวชแล้วมันรอ รังเลบลอลอะไรก็กําลังก็เรียกว่ า, เ, าเครื่องกําลังร้อนอย่าปล่อยให้มันเย็นคําถามจาก facebook นะครับคุณนิสานะครับการนั่งสมาธิพร้อมกับการฟังธรรมกับการนั่งในความสงบเงียบแตกต่างกันอย่างไรคะก็แล้วแต่บางคนบางคนนั่งเงียบๆคนเดียวอย่างนั่งไม่ได้แต่ถ้านั่งฟังธรรมแล้วจิตสงบ ก็เขาก็นั่งฟังธรรมไปก่อนเป็นวิธีทําใจให้สงบแต่บางคนนั่งฟังธรรมแล้วกลับไม่สงบแต่ไปนั่งเงียบๆคนเดียวสงบเขาก็ไปนั่งเงียบๆพราะระดับจิตของแต่ละคนมันไม่เท่ากันกําลังของสติของแต่ละคนไม่เท่ากันถ้านั่งคนเดียวได้ที่เงียบๆแล้วสงบนั่นอ่ะดีที่สุดอันนี้ถือว่าเป็นเป็นผู้ที่ก้าวไปไกลแนละ้วแต่บางคนนี้เหมือนกับรถที่ยังสตาร์ทไม่ติดก็ต้องอาศัยรถคันอื่นเขาฉุดไปก่อน ก็อาศัยการฟังเทศฟังธรรมดึงจิตไว้ให้เข้าสู่ความสงบเพราะถ้านั่งเงียบๆคนเดียวมันฟุง้งมันไม่มีอะไรจะดึงจิตไว้ก็ต้องอาศัยการฟังเทศไปก่อนแต่คนที่เขามีกำลังที่จะดึงจิตไว้ได้เขาไปนั่งคนเดียวดีกว่าเพราะว่ามันจะสงบมากกว่าการสงบจากการฟังเทศคำถามจากผู้ไม่ประสองค์ออกนามนะครับคาถามต่อเนื่องจากท่านที่แล้วเรื่องการไหว้ถ้าเราจะถือว่า เราไหว้ที่คุณธรรมที่เขาทำความดีตามระดับของเขาไหว้ของเราคือกิริยาแสดงความเคารพแต่สมณะที่เอาไว้สอนใจคือสารณะที่เอาไว้สอนใจคือพระราตนัตยถูกต้องไหมเจ้าคะใช่คือการไหว้มี2อสองอย่างไหว้แบบสมมาคารวะไหว้แบบนับถือเป็นครูเป็นอาจารย์คำถามจากคุณวัลินนะครับ คนฆ่าตัวตายดวงจิตจะไปไหนครับก็เหมือนกันน่ะก็ไปนรกน่ะเพราะประค่าสัตว์ตัดชีวิตทำบาศจากคุณปลาณีนะครับรักษาศีลแปดทาครีมกันแดดใต้ไหมเจ้าคะแล้วแต่ว่าทาเพื่ออะไรทาเพื่อรักษาร่างกายก็ทาได้ทาเพื่อความสบายความสุขก็ไม่ได้หรือทาทาแล้วรู้สึกว่าทาเพื่อความสวยงามก็แล้วกัน ถาทาเพื่อความสวยงามก็ไม่ได้ถ้าทาเพื่อรักษาไม่ให้เป็นโรคภัยไข้เจ็บเช่นป้องกันเป็นโรคมะเร็งผิวหนังอะไรอย่างนี้ก็ทากันได้แต่ถ้าทากันสิวกันฝ้านี่ไม่ควรทาอันนี้มันทาเพื่อเพื่อความสวยงามมากกว่าคําถามจี่คุณป้อมนะครับ ผมอยากชนะความคิดตัวเองต้องทําอย่างไรครับผมชอบคิดอะไรต่างๆนาะนาะก็ใช้พุโทโธนี่แหละอย่าปล่อยให้มันคิดบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆถ้าเราพุโทโธมันก็คิดไม่ได้เราก็ชนะความคิดถ้าเราหยุดพุดโทโธเราก็แพ้ความคิดจากคุณอาจารย์งามนะครับทําไมการให้ธรรมะเป็นธรรมทานจึงมีอนิสงส์งมากชนะการให้ทั้งปวงเจ้าคะคือเป็นประโยชน์มากเนี่ย การให้ธรรมะทำให้คนหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้การให้เงินเข้าเข้าของเงินทองก็เพียงแต่ทําให้คนหลุดพ้นจากความทุกข์ยางลําบากทางร่างกายแต่ยังไม่สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ของการเวียนว่ายตายเกิดได้จากคุณนําพึ่งนะครับสามีทํางานโรงแรมและคาสิโนอยู่ในเมืองท่องเที่ยวของรัฐเนวดาดาเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวโดยทําอยู่ในแผนกคาสิโน ซึ่งถูกกฎหมายของบ้านเมืองเขาจะถือว่าผิดศีลละเป็นบาปหรือไม่เจ้าคะก็ยังผิดอยู่เพราะว่าศีลนี้เป็นเหนือกฎหมายกฎหมายนี้เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นกฎที่มนุษย์ที่มีกิเลสสร้างขึ้นมาแต่ศีลนี้เป็นกฎหมายที่คนที่ไม่มีกิเลสสร้างขึ้นมาศีลนี้มีไว้เพื่อกําจัดกิเลสกําจัดต้นเหตุของความทุกข์เนี่ย เพราะฉะนั้นถ้ามันขัดกับศีลและธรรมถึงแม้จะถูกกฎหมายก็ยังยังทําให้คนเราทุกข์ได้อยู่คำถามจากคุณยูรินะครับวันนี้ดิฉันไปเดินออกกําลังกายแต่ไปเจอของคนอื่นตกหล่นอยู่ก็เลยเก็บมาถามคนที่อยู่แถวนั้นแต่ไม่มีใครเป็นเจ้าของดิฉันเลยเก็บกลับมาบ้านแบบนี้ผิดศีลข้อลักลับไหมเจ้าคะก็มันไม่ได้เป็นของเราไม่ใช่เนอแล้วเราก็ไม่ได้อนุญาตจากเจ้าของอ ก็ไปวางไว้ที่เดิมก็แล้วกันคําถามช่วงนี้หมดแล้วครับอาจารย์อขออนุญาตนี่เดียวครับถือสินแปดนี้ทายากันยุงได้ไหมครับได้ได้ป้องกันป้องกันโรคภัยใช่เดือบได้ขอบคุณครับอมาสกายครับพอาจารย์ใกล้ไหมหน่อยพทุกวันนี้ที่ผมฝึกนั่งสมาธิอยู่ผมหลับตา แล้วก็เบิกกรรมว่าพุโทโธทุกครั้งที่ผมรับตานี่ผมจะต้องเห็นเป็นตัวหนังสือว่าพุโทโธหรือเปล่าครับไม่จําเป็นนะไม่จําเป็นให้พุโทโธเพื่อให้เราไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็พ อ, อ, อพุพโทโธเพื่อไม่ให้ไปคิดเท่านั้นเองจะเห็นพุโทโธก็ไม่เห็นไม่เป็นไรเห็นก็ได้ไม่เห็นก็ได้แต่ก็คือว่าอย่างผมรับตายอยู่ตอนเนี้ยถ้าผมเบิกกรรมว่าพุโทโธแต่มันก็จะเป็น รูปเป็นรูปภาพเป็นอะไรต่างๆเขาอย่าไปสนใจให้อยู่กับคำบริกรรมไปเพียงอย่างเดียวอยู่กับคำพุโทโธพุโทโธไปจะเห็นก็ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเสียงทางอาจารย์ครับถ้าเกิดเราต้องเลือกระหว่างงานที่เราทาทั้งวันเนี่ยแล้วก็เราจะมีเวลาในการปฏิบัติน้อยกับงานที่เราทำลดลงแต่ว่าเรามีปฏิบัติมากขึ้น แต่ว่างานที่เราทําทั้งวันเนี่ยมันให้ความสุขกับเราค่อนข้างเยอะอืในการที่ได้ช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยฮะมันเลยทำให้เราตัดสินใจยากค่ะว่าเราจะเลือกไปทางไหนครับเพราะเรายังไม่ได้สัมผัสกับผลงานที่เราได้จากการปฏิบัติถ้าเราได้สัมผัสแม้เพียงครั้งเดียวเราจะเห็นว่ามันต่างกันเหมือนฟ้ากับดินฉะนั้นพยายามปฏิบัติให้เห็นผลงานจากการปฏิบัติแล้วมันจะทําให้เรารู้ว่าเราจะต้องการการไปทางไหนกันแน่ อ่าแล้วหมดแล้วมั้งมีคำถามยังไหมทาง YouTube ไม่มีแล้วนะไม่มีก็พอดีสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านตรงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้วาวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ